บริจาบทั้งในพระสูตรในพระพิธรรมในพระยังไงเกื่อวันธัตุละกาศรศึกษาทางพุทธศาสนาไปรู้เรื่องรู้ราวดังที่พูดให้เป็นนกฟังวันนี้การตรวจมี การบวชคือการทวนกระแสของคนบางคนบางคนก็ทําไม่ได้เพียงแต่ยกมือไหว้ทุ่มหัวแต่ว่าบวชเหมือนไม่ได้แต่บางคนก็ไม่ไม่คิดจะแค่บวช <c oughs> <c oughs> แต่มีงานมีการห่วงโลกหวงโลกของร้านหอกครอบครัวพันยาสามีห่วงอันแล้วเล่นต่างๆ บางคนก็มาขออยู่ด้วยขอขอขอถือศีลแปดแล้วศีลห้าขอถือศีลห้าอย่ากมาอยู่วัดกล ว, ว่าจะไม่ได้มีลูกมีรถมีทีม่มีเสียงก็ต่างกันไปแต่พ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยบางโอกาสลูกเต่า อ, ออกมาบวชเรจบสูงสูงมาบวพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยเห็นพระ รัฐบาลไม่ใ <c> ห <oughs> ้นกฝังเป็นลูกเศรษฐีออกมาบวช่อไม่ห้ามไม่ให้บวชรัฐบาลนี่ก็มีศรัทธามากอยากบวชจนสุดหัวใจแต่ว่าพ่อะไ ม, ไม่ไม่คิดเลยเจ็บเข้าเจ็บของเงินทองไว้เพราะให้ลูกชายคนเดียว จะไปบวชมั่ก็มันผิดหวังไปสุด ร, รัฐบาลนี่ไม่กินข้าวกินน้าวัวนที่ส่ที่ห้าที่หกอยู่ในห้องปิดประตูเลยไม่ออกมากินข้าวตายดีกว่าทำไมได้บวดอบ <c oughs> น, นั้นนะเพราะแมครัวลูกจะตายกับรึกษากันก <c oughs> อเลยตกลงว่าให้บวช <c oughs> ถ้าบวชนี่ไม่ตายยังพอจะเห็นหน้า แม้ว่ามาได้อยู่ด้วยก็พอเห็นหน้าบางครั้งบางคราวแต่ถ้าตายนี่ก็ไม่มีโอกาสเห็นหน้ากันเลยมันตกลงให้ลูกชายบวด <c oughs> แล้วก็ดียังมีงต่อรองถ้าจะบวดจริงๆก็ไปชวนคนนั่นคนนี้แต่เขาบวดจังปวดนะถ้าเขาไม่บวดก็อย่าปวดรัตบาลก็ไปชวนเพื่อนไปหลายคน <c oughs> ก็เลยไปบวดปวดมาแล้วไปเป็นทรรมศาส แถวแถวบ้านตัวเองวันนั้นสาวใชยในบ้านจะเอาขนมที่มันบดบดไปทิ้งแส่ขยะพอที่รัฐบาลกับอุโมบะเดินผ่านไปไม่ได้ข้าวสักปั้นเลยเลยผ่านไปทางบ้านพ่อแม่ตัวเองก็ เ, เห็นคนใชยในบ้านก็จำได้พราว่า น, น้องเิ้ เธอจะเอาขนมนั่นไปไหนอยู่ในถาดเราไปทิ่งตั้มแต่เทใสบาตหลวงพี่เนี่ยหญิงสาวใช่ก็เลยเอามาเทเส่ในบาตให้พระรัฐบา ล, ลรัฐบาลก็ได้ขนมหมดกล <c oughs> ับไปกติไปฉันหญิงสาวใช่ก็ไปพูดให้พ่อแม่รัฐบาลฟังแพ่อแม่ก็ตกใจโกรธกโทษ ลูกชายเรามาจิงนขนมหมดโบทเทิอไปทิ่ไหมเลยไปนมนตนมาบ้านไปนมน ม, ม, ม, มาบ้านโกรธไม่พอใจที่ลูกขอทานอมบาทคของุัสดุของพ่อแม่นึกว่าลูกขอทานกินไม่แต่พระเจ้าของฉันก็น้นทองขอนเงินเราเอกอาโกงให้รัฐบาลโดน กองของรัฐบาลันมากสองเท่ากับของพ่อแม่เนี่ยโลกจะไปจิงขนมหมดหูนได้ไงเหมือนทองเราไม่อดไม่อยากรัฐบาลก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยกล่าวคาถาขึ้นว่าโลกนี้บกทร่องอยู่เป็นเนิดไม่ลูกจับอิ่มเป็นาธาตุของความอยาก เขาเฉลียวเฉลวยจริงๆโลกเนี่ยมันบกพร่องอยู่เป็นี้เป็นธาตุของความอยากไม่ลุ้ยจะอีบอยากน่นอยากนีอยากนี้โน่นไมนี่เงินเหมือนนีืได้เงินแสนมีเงินแสนเงินล้านล้อยล้านพันล้านเป็นธาตุของความอยากเป็นคาถามดที่หนึ่งคาถาบทที่สองก็ว่าโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ในสิ่งทั้งผวงได้ยอมละ ไม่ไม่ใครเป็นใหญ่ได้ย่อมละทิ้งในสิ่งทั้งปวงไปรับที่พ่อแม่มากร อ, อยู่เนี่ยไม่มีใครเป็นใหญ่อาจจะละทิ้งในสิ่งทั้งปวงไปบ้านเรือนอะไรที่เป็นสมบัติที่เป็นข้าวเป็นขอ ง, งของเขาที่มันจะต้องจากก็ต้องจากไปมีหัวมีเมียมีลูกมีเต้าของเขาที่มันจะจากก็ไม่จากขเขาเขาก็จากเราส่งกันได้แท่เชิงตะก่อน ย่อมละเที่ยงในสิ่งทั้งปวงไปคาถาบทที่สามว่าอย่างไงอ ะ, <c oughs> อะเมื่อไร่ปีบทคาถาเพราะว่าแล้วก็กลับบ้านทันทีกลับวัดพ่อแม่ก็เสียใจเพราะเรื่องการบวชเนี่ยมันก็เป็นการทวนกระแสของโลกนะหลายหลายมูขที่นั่งอย่างนี้มันจะจีดด้วยการอ ล, ลเทพการทนชิ้ปอูเนียหลายมูข ที่ทวนกระแสของคนบางคนองคิดด่านไม่เหมือนเราไม่ได้อืม <c oughs> น, นเนี่ยก็คืนบวชจริงก็คือเขามาเขา่าดีเขาไม่เขาไม่ได้ไปเท่วแต่ว่าคนอยากให้เราไปมีข้อ บ, บิครัวอยากให้มีปัญญาสามีอยากให้มีงานมีการทำจกจบปัญญาแล้ว ใม้กระหาังานทํานี้มาบวชมาเป็นความผิดหวังของความคิดของเขาน่ะมันคิด ไ, ได้เพราะแม่รเาไม่ได้เคยคิดแล้วก็บ้านชาติการพระอะไรมาโยกับเราคนลคะหลังตกธรรมศาสตร์ใหม่ๆพ่อแม่ท่องปูม่มาวันพ่อกับหลวงพ่อทำอยังไงลูชายยังจะึกไปรับปริญญาให้ปู่เขามาป่าลอกงก็พูดเป เขจะพูดต้องดูก็สุดแต่เขาไม่จะพูดลูกชายเขาบอกว่าถ้าไม่รู้สึกก็ไปรับได้แต่ถ้ารสึกแต่ไม่ไปรับก็ได้เดอเขาจะส่งมาให้พราะ่าเขาบอกว่ามีาเครื่องดูแลโลกจากเห็นโลกลรับรูปยาถ่า ย, ายภาพเป็นตระกูลของพวกเราก็าไม่สําคัญก็จะมาให้เพราบนความคิดของเขาลูกชายไม่รู้สึกเขเสียใจ เนี่ยเข้าไปอยู่โพหลงมหาวันเ <c> ป <oughs> ็นการบวชเนีนใใน่ยเปนการตวนกระแสที่วการกำลังมาศึกษาในการกัุละวิปัสนาทุลาพวกเรานี่ยวิปัสนาทุลาโม่ล้วนไม่ไเรียนหน้ากระดานสอนกันเหมือนพระรูปเนี่หลานมลวงพ่อเนี่เรียนป ร, ริยัติกัณฑุละเรียนเขาเรียน นักทมปีโทเอกจบแล้วไปรเรียนไปรเรียนสอบได้ไปรเรียนสองไปรเรียนสามไปรเรียนสี่ไปรเรียนห้าหกเจ็ดแปดเก้าโชคสัะสูตรเช่นอาจายมหาไหลไปรเรียนทำข้าวประโยคโค้งสูตในพุทธศาสนามี ม, มลบแต่ทา่ทานก็มาปฏิบัติกระโวกเราปีสอง0ันห้าอยสี่สิบท่านก็เสอโซนการวิปัสสนาทุะละ เด็ก ท, ท่านต้องไปเสียเวลาเรียนเป็นสิบสิบปีคันวิปัสนาธุระเนี่ยมันยอดของการศึกษาเรามาเอากายเอาใจเป็นตำรามาดูใช่ไว่ามันจะคืออะไรเรียนให้มันจบซะเนี่ยชีวิตเราให้มันจบซะมันเป็นยังไงให้โล่กแก่มีงงสตนะิอย่างโลกทุกวันมันเต็มไปด้วยรสชาตสมมติปันหาัดเท่นออกขั้ชา้าเนี่ยนะ มันเป็นเพียงสมมุติบัญญัติไม่ใช่เป็นปรมัตารย์องค์โน่สุดตัวเนี่เป็นปรมาจาอยูโย่คงเส้นคงวาการออกกัญชาการบวชการไม่บวชเป็นสมมติปัญญัติตนันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็ทําไม่ได้แต่ว่าความไม่ทุกข์เป็นปรมัตา์ความทุกข์หรืเป็นผลผลจากสมมุติปัญญัติความโลกความโกรธคงามหลงเป็นผลผลขอ ง, ของสมมุติปัญญัติ ต่ปรัชมติไม่มีอะไรมาได้คิดมาเป็นผลของสิ่งใดเป็นผลของการกระทําเป็นผลของการเจริญสติเข้าถึงปรัมาติเห็นจีวิตรเห็นสติเห็นกายเห็นจิตใจเห็นเวทนาเห็นสิ่เห็นสมาธิเห็นปัญญาเกิดพบเห็นแล้วก็ช่วยได้เห็นสิลสิก็ช่วยเราเห็นสมาธิสมาธิก็ช่วยเรา เห็นระวียด้วยพบเห็นระวียเห็นด้วยสัมผัสได้อ่ามันเป็นการสัมผัสมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีมากมีผลทำมาเนี่เกิดอันนี้ก็้นมามีศีลศรีเรนะจุกติยินติต้อมีศีลก็เป็นความสุขสุขเพราะการเรื่องปรุงสุขเพราะความสงบสงบจากการในสุขนาทิสันติตรังสุขขันธ สุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไปไหมไม่ใช่สุกเพราะอมิตรปีลูกนี่เนี่ยเท่เาเตเลหล่อนมันนันเป็นอมิตรอ อ, อาศัยอมิตรเป็นสุขแต่สุกจากสติสมาธิจากศินสมาธิปัญญาไม่มีอมิตรเลยสินพาให้สุกสมาธิพาให้สุขปัญญาพาให้มีสุขไม่ให้เป็นอื่นออมาพบผล มันนีแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาก็มั่นใจควมไม่โลคควมไม่โกรธควมไม่หลงความโลคความโกรธความหลงเป็นของสมบติควมไม่โลคไม่โกรธไม่หลงเป็นประมัตโยชั่วนาตาปีไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นพึ่งได้เป็นสูตรที่พึ่งตนเองการปฏิบัติเนี่ยพึ่งได้ไหมเราเห็นมันหมดเปลือกเห็นโลกเห็นนาม เห็นูโประทำเห็นนามธรรมเน่ยเห็นโลภ์เห็นเอธนาเห็นปิดที่มันคิดเห็นธรรมที่มันเกิดกับจิดบางทีมันครอนําทําให้เราไม่รู้บางทีมันก็รู้สุขเพราะความคิดทุกข์เพราะความคิดสุขเพราะรู้ทุกข์เพราะรู้สุขเพราะเสียงทุกข์เพราะเสียงสุขเพราะกลิ่นทุกข์เพราะกลิ่นสุขเพราะสัมผัสทุกข์เพราะสัมผัส ของรพกกลายเป็นของชังของชอบชอบกลายเป็นของหลังเกียดนี่รียว่าสมมุติเป็นโลกมนลดของโลกเป็นอย่างนั้นลดของโลกมันเป็นอย่างนั้นความสุข ก, ก, ก็กลายเป็นความทุกข์ได้ความรักก็กลายเป็นความชังได้ความชอบก็กลายเป็นความไม่ชอบได้มันเป็นลดของโลกลดของโลกมันไม่เที่ยมได้เคยัำผัสมาไม่ต้องถามใคร เคยรักมันใจจะขาดเคยโกรธมันจะฆ่ากันได้เคยยินดีชุมเทชีวิตลงไปสุดหัวใจเคยยินร้ายกับของสิ่งเดียวมันรสชาติของโลกมันแฉบเก็บขนาดนั้นรสชาติของโลกนะเราก็ดูซะจะได้ไม่หลงไอ้ลูกแกงจ้ะไม่แกงเสิ่งเหล่านี้จ้ะ อ้าวามาคิดดูใช่ป่อเรามานั่งอยู่นี่ได้มันผ่านอะไรมาทีเดียผ่านความเป็นเด็กน้อยน้อยผ่านจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่บางคนอาจจะไม่ผ่านเหมือนหลวงพ่อกระหลวงพ่อเลี้ยงเพราะงั้นผ่านมาโชคชนพอาเลี้ยงเรเป็นร้อยตํารวจโทตํารวจเอกหลวงพ่อก็เป็นชาวไร่ชาวนาใครจะมาคุยว่า ตรวไม่ได้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยเคยเหมือนกันสุขก็เคยสุขทุกข์ก็เคยทุกข์แต่สุขแบบโลกทุกข์แบบโลกนะมาถึงวันนี้เราผ่านอะไรกันมาอะไรที่มันดีที่สุดชิมดูแล้วความรักก็ชิมแล้วความชังก็ชิมแล้ ว, ลวเราเล่ยขึ้กเก็้หลงไปอีกมาเล่ยเกี้ยวไม่ได้มาเล่ยเกี้ยวเล่ยน่ไม่ได้ กดเล่ากดอีกเยอะนั่นเลยทุกเล่าทุกอีกอยูะนั่นแ ล, ล้วเล้เาเล่อีกครั้งเลาทัา้ทงอีกนั่นเลยของมันนันมันเล้วไหล่เลี้ยวไหมัน บ, บังคับขับใส่เราไม่ให้รเราไปทำต่อเราทาไมเราจะต้องเป็นทาสขี้ข่าของลักษณะนั้นอยู่นะเรามีสิทธิ์นะเรามีสิทธิ์ที่จะต้องไม่เป็นขี้ข่าของไมเป็นอิสระผมเรียกชื่อาอาลียะอานียะเจ้า คือพูกไม่มีภัยเป็นอิสระเราจะต้องเลือดว่างแต่รอให้วันตายมาถึงเราคอยยึดต ก, กังวลชน่อบมองบางทีก็ ก, กลัวความเก็บความแก่ความตายไปกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวไปกล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้าของกลัวกับกล้าของกล้ากับ ก, กลัวกล้าโก ของที่น่ากลัวก็กล้าฆ่าโกดการรักก็ไอ้ช้างก็สุขก็ทุกข์ของที่มันกลัวก็กล้าบางคนเนี่ยก็โจรเข้าไปใส่อยังไงก็โจรเข้าไปใส่ก็ไม่ได้ยืนขึ้นไม่ได้อยู่ก็โดดเข้าไปใส่จนไม่รู้อะไรๆบางคนตายพิมพ์ไปสอเสียดาย เขียนใบคิดิตของคนมานบรรลุธรรมมาพ้นหลุดพ้นถึงเหล่านี่มันจะมีค่ามากโยกมันจะมีวิ่งมาทีเดียวก็ยังไม่ค่าถ้าว่าเราอยู่เฉยมันมีร้อยปีก็ไม่มีค่าอะไรนั่นเราข้อไหนวะยาก จ, จับแขีนดึงจับแขีนกระชากไปบอกเฉยๆ ไ, ม, ไม่ไหวคว้าแขีย น, นก็เราเปนดึงไป มันลูกเลื่องเมื่เลื่องลูกมันจะคานมันจะตกวันใดจับชาดิมาใหญ่เก็บบ้างแท่ามวันดีัวมันตกลงไปหัวหน้าเัาดีกว่ามันขาหักแขนหักเก็บถอกเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรใจมันอยากขนาดแต่ว่ามันก็ไม่มีโอกาสช่วยคนมาแล้วคนแต่ว่านี่พอเราอยู่เนี่ยนี่หลังคอ สะดวกสบายที่สุดมีกันเลาาี้ยงนิสมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเป็นกันเลาาี้ยนิิตกันร้องไปเส็จช่วยกันหลวงพ่อไปไหนก็ไม่ต้องห่วงอ่าเรียก ว, ว่าโชคโชคหลวงพ่อมีโชคดีว่สาสิกาก็ดีออกม่ตนที่เดีวก็ดีนี่แต่คนดีดีให้ทรงไว้พระสงฆ์อ ง, องค์เจ้ากบบนี้เพิ่งพาใจกัน อันนี้จะไปพูดต่อไปคำนั้งเห็นพระหนุ่มพ่ะน้อยพระโพธิเานี่สถาบันสถาบันสติปัฏฐานสมชื่อนะพวกเราทำอะไรเป็นอท่อาอืนทำทั้งขยะ ก, ก็ได้ล่างส่วมก็ได้ทงชลาก็ได้ทำไฟก็ได้ทำอาหารการกินกั น, นได้พ่อก็ได้ฉันโลตรี้วย <l ots> <l ots> โรตีอ่าโรตินี่เป็นของแขกนะฮะนุ่มตรงเลยไม่ใครทำอะาโรตีแต่ของแขกเขาเนี่ยก็ดีนะอ่ะานเพราะนั่นแหลเรา่วยกันนะ่ะวยันอ่าเพราะนี้ก็พวกเราเป็นกัญญาณมิตรกัญยาณมิตรที่มันช่อยคเล็กน้อยนะพาถึงมากถึงผลนะถ้าสานีพรรญาเนี่ยเป็นกัรยาณมิตรกันเพิ่ม เพิ่มคุณภาพเข้าไปให้เป็นกัญระญาณมิตนั่นก็มีประโยชน์แต่สามีพันันไม่เพิ่มมันแค่อ่าเรียกร้องความรักความต่งเอาถ้าเพิ่มเข้าไปไมันเป็นไรแต่เรานี่เพิ่มเขาจะไปเป็นอะไรก็ตามเราต้องเพิ่มความเป็นกัญญาญาณมิตเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกันญาญามิดม่กับต้นไม้ก้อนหินก้อนกวนรับรองไม่เบียดเรียนอะไร คือความเป็นกัลยาณมิตรไม่ควรเป็นธรรมทุ ก, กอย่างความไม่เป็นธรรมไหนไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองท่นความเป็นกัลยาณมิตรอืช่วยดูแลช่วยชวนกันไปชวนกันให้หลุดให้พ้นจากทุกข์จากปัญหาต่างๆ น, นี่คือกัลยาณมิตร กัลยานมิตนั่งอยู่นี่กัมเรายานธรรมวัด น, นี้ช่วยกันไม่ได้แล้วผมก็อสอนให้มีความรู้สึกตัวก็ต้องมีความรู้สึกตัวเอาเองให้มีความรู้สึกตัวเอาเองเวลาได้หลงคิดไปให้รู้สึกตัวเอาเองให้กลับมาให้เป็นอย่าให้ความหลงความคิดมันหลอกมันนี้เราต้องสร้างเอากัเรยานมิตแล้วก็ครบบัณฑิต ไปคบกับความรู้จึกตัวนะแต่ไปครบกับคนฟานมันจะหลอกคนล้มความหลงมันเยอะมาหลายฉากความรู้จักตัวความมีสติเนี่ยตึ้นบัณฑิตนะในตัวเรานอกแกวบัณฑิตนอกตัวเรานั่งอยู่เนี่ยพัถนาดีต่อกันนะบัณฑิตในตัวสร้างความรู้จักตัวสร้างความเมตตากรุณา สร้างความให้อภัยสร้างการปล่อยวางสร้างเพราะว่หลุดแกงทําให้แก้งทุกสถานการณ์ทำให้หลุดสึกตัวทุกสถานการณ์อยา่าประโยชน์ใดอะไรทั้งหมดแ่ะหลุดพ้นทุกสถานการณ์ไม่มีทางที่จะปกมัดระดึงเราได้องหลุดพ้นมันคล่งตัวองูกมัดเนี่ยมันไม่ดีล่ะคิดถหาไม่เห็น แต่ไปยินด ok e ียินไล่มันฝก่นนอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องยินดียินไล่โลปกติไงมันคลองที่สุดนะความปวดก็ไม่คองความไม่ปรดคล่องแค่กว่าความทุกข์ไม่คล่องอะไรเลยความไม่ทุกข์คล่องแค่กว่าอ่ารจากไหมคนยวราอสเตียโรคภาษาลงตาไหมคนนีโรคแบบรู้จากไหมคนทุก ความทุกข์ไม่เป็นธรรมต่อชีวิตความไม่ทุกข์เป็นธรรมกว่าจันทร์จิตเรามาหาจันทร์จิตนะเรามาหาจันทร์จิบอกเขาเสกป้าหลวงพ่อโพดอย่างนี้เนี <c oughs> <c oughs> ่ยความทุกข์ไม่เป็นธรรมต่อเราดอกความโกรธคนนั้นความไม่โกรธความไม่ทุกข์เป็นธรรมต่อเรา อ, อะ แ<อ>ต่ทองแปงดียองแปงไม่ดีไม่เอานะพวกไหนมันยอดจริงจริงนะมันยึดมั่นมากถ้าแปงดีมันสั่นหัวหลังหลังหลังหังหลงติดบ้างก็เราไม่เป็นไรทุพกพลังเลยติดไม่เอาเละสั่นหัวเลย สวยนะสวยนะะไรถาเราโอคนสวยนะแส่งว่าคนสวยนะสวยอะไรนะสาธุสาธุสาธุ